หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะไม่ได้เรียนเยอะนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่เหมือนหลวงพ่อหรหลวงพ่อจะสอนแบบสมัยใหม่จะต้องให้ภาพรวมรู้ว่าจะทําอะไรจะทำเพื่ออะไรทําอย่างไรทําแล้วมีผลยังไงสอนครบครูบาอาจารย์แต่ก่อนจนะบอกไปทําอันนี้ไม่ให้เหตุผลหรอก บางองค์ปีหนึ่งท่านสอนทีหนึ่งมีพระท่านเล่าให้ฟังไปอยู่ปีหนึ่งไม่สอนไะไอยู่ได้ปีหนึ่งก็บอกพุโทโธไปพุโทโธไปปีหนึ่งวันหนึ่งบินฑบาดเดินสวนกันท่านก็ลองบอกอีกรู้สึกตัวไว้ทักสอนน้อยมากเลยหลวงปู่ดูลสอนสั้นนิดเดียว สอนคนแต่ละคนน่ะไม่กี่คำสอนหลวงพ่อบอกให้ดูจิตสอนนิดเดียวเราก็ต้องมาหาทางับมาวินแเราไปส่งกันบ้านท่านผิดหรือถูกสอนแบบเก้าเดียวหนึ่งเก้าให้ทำงี้เราต้องเดินไปถึงตรงนี้ก่อนที่จะบอกต่อ มีคราวเดียวที่หลวงปูดูลบอกเผื่อไปยาวๆคือครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านคงเห็นเราพอนานี้แมวไหนชาเหลือเกินไม่ทันแล้วท่านจะสิ้นและเรียนกับท่านตั้งปีกว่าแล้วยังไม่จบอีกใช้ไม่ได้เพื่อนสอนพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตเจถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่าน เข้าใจไหมตับท่านไม่เข้าใจครับแต่จะจำไหมเออจำไว้นะอย่าลืมนะภ mm hmm. าวนาครูบาอาจารย์ไม่บอกมากอ่ะเราต้องทนเอาอาศัยศรัทธาไม่อยากพดทุกข์ mm hmm. ท่านบอกให้ก็ลองทำดูทำทำไปคนรุ่นเรานี้ค่อนข้างอ่อนแอนะ จะว่าไปเทียบกับรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยอ่อนกว่ากันเยอะเลยครูบาอาจารย์นะท่านลําบากแค่ไหนท่านก็เอาบางองค์เดินป่าเดินเขาไม่ได้เดินเที่ยวเดินไปหาครูบ า, าอาจารย์หลวงปู่เทศเคยเล่าเที่ยวไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลบไปใจอีสาน ลูกศิษย์เยอะเกินท่านไม่ได้ภาวนาะท่านจะไปเร่งความเพียรของท่านหนีไปทางภาคเหนือลูกศิษย์ไม่รู้ว่าท่านไปไหนเที่ยวหากันท่านหลบบางองค์ก็ตามเข้าไปในเมืองลาวที่พระท่านไปขึ้นภูเขากวายภูเขาอะไรเคยได้ยินชื่อไหมภูเขากวายบั f f a l o โล mountain <laughs> พระล่ า, ลาวมาเล่านะอยู่ภูเขาไฟนี่ย น, นมาเล่าให้ฟังเราก็วาดภาพมาโอหมันต้องเป็นภูเขาสูงชันลึกซึง้งแต่หมอไม่ใช่มันค่อยๆขึ้นไปนึกอีกทีนะถ้ามันชันมากควายมันคงไม่ขึ้น <laughs> หรืออาจจะภูเขารูปร่างเหมือนควายก็มไม่รู้นะ้วยเคยไปเห็นเดี๋ยเที่ยวหากันนะนเข้าไปเมืองลาวไป เมืองเลยไปเมืองอะไรนะขึ้นไปไปเจอทางเชียงใหม่ก็ค่อยๆตามไปลำบากลำบากแค่ไหนก็ไปกันอยากได้ธรรมะของเรายุคนี้ง่ายเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วธรรมะจะเอาแบบไหนมีหมดเลยทุกแบบมีกระทั่งเสียงเสียมซีใช่ไหมใน อินเทอร์เนต็ตเดียดูดวงดูอะไรมีหมดทุกอย่างอะไรง่ายนักนะไม่มีคุณค่าอะไรได้ลำบากนะมันมีคุณค่าสมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ลำบากมากแต่ก็ลำบากต้องนั่งรถไปนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์นั่งไปทั้งคืน บางองค์ก็ต้องไปเดินต่ออีกครึ่งวันค่อนวันนะไม่ได้เดินมากไม่ได้เดินกันแมเดือนแดมปีแต่ก็ไม่สบายเท่ายุคนี้เงัอนเวลาที่เราเข้าไปหาท่านวนะันทีเดินทางทั้งไกลไม่ได้พบท่านไม่สบายนะหรือท่านไปที่อื่นยังไปหาหลวงพู่เทส เก็บวันลาไว้ไรไว้นะไปทั้งไกลไปถึงหลวงปู่อาภาธหมอไม่ให้เยี่ยมไม่ให้พบแม่สังสิ้นเลยใจนี่เฉาเลยนะจะมาส่งกันบ้านไม่ได้ส่งแล้วในพาอนานอยู่หน้ากุฏิท่านบางองค์ขึ้นไปทํำผาปล่องนะขึ้นเขาไปก็ต้องสูง ขึ้นไปถึงบนเขาพระก็บอกหลวงปู่ไปกรุงเทพยมมาจากไหนล่ะมาจากกรุงเทพห <c oughs> ลกหลวงปู่ไม่กลับหรอกหลว ง, งปู่ไปอีกนานยังไม่กลับลเราก็ <c oughs> ก็ต้องภาวนาอยู่วันนั้นแหละไม่มีครูบาอาจารย์ <c oughs> พอภาวนาไปสักพักนะก็มีคนวิ่งขึ้นภูเขามาบอก แม่หลวงปู่จะกลับมาแล้วพวกพระนะเขาก็ขนแคร่ลงไปจากยอดเขาสี่องค์นะแคร่ทําด้วยไม้หน้าสามนะไม่ใช่แคร่เบาๆเอาไม้มาต่อกันเองหนักอึดเลยพระสี่องค์นะกว่าแคร่ได้วิ่งนะใช้คําว่าวิ่งเนี่ยถูกแล้วเพราะเราตามไม่ทันแล้ววิ่งไม่ทันเลยท่านวิ่ง ไ, มไวมากคล้ายๆพระเศร้าหลิน <c ười> ขึ้นเขาลงเขาทุกวนันเลยแข็งแรง ลงเอาแคร่มาเราตามมาดีใจเฉยๆหลวงปู่ลงมาข้างล่างนะสักพักหนึ่งคนขีม่มอเตอร์ไซค์มาบอกหลวงปู่เปลี่ยนแผนแล้วไม่มาละคนนี้มนต่อไปที่อื่นพระท่านก็บอกอโยมเอาแคร่ขึ้นไปทีตัวท่านวิ่งตัวเปล่าขึ้นไปนะเราสองคนมันแบกแคร่ขึ้นไปโอ้เดินสองสามก้าวต้องวางที้ เนี่ยเวลาเจอครูบาอาจารย์แต่ละคราวนะเลยมีคุณค่ามากลําบากไม่ค่อยเจอหาตัวยากบงองค์อย่างหลวง พ, พ่อพุธช่วงแรกๆภาวนาแรกๆนะไปแล้วเจอทุกเดือนช่วงหลังๆท่านเป็นมะเร็งท่านหลบไม่อย่านั้นคนยุ่งกับท่านทั้งวันท่านอยู่ไม่ไหวไปก็ไม่เจอไปไหนก็ไม่เจอองค์ที่เจอก็ป่วยห่วยลำบาก อาศัยว่าท่านเคยสอนอะไรเราจําไว้นะเราก็ทําของเราสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาสิ่งที่ท่านสอน น, ะนิดเดียวพวกเราเรียนจากหลวงพ่อนะเยอะกว่าที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์มากเลยสมัยนั้นต้องคลําเอาได้ร่องรอยหน่อยก็คลําไปอยู่นั่นแนหะผิดผิดถูกถูกนะลองอยู่นั่นกนระทั่งคลาถูกแล้วยัยงต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกเลยว่ามันถูกจริงหรือเปล่า บางทีภาวนาไปนะใจสว่างว่างเลยโล่งไปหมดเลยมองไปทางไหนนะโลกนี่ราบคาบไม่มีอะไรนะเหมือนกับจบแล้วจบแล้วนะทวนเอามาใหม่ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทวนสังเกตดูว่าตอนตื่นนอนสังเกตดูจิตมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ในความว่างนี่โอ้ไม่ใช่อีกแล้วที่ว่าใช่ไม่ใช่อีกแล้วะจิตมันปลุงขึ้นมา งั้นพวกเราต้องสังเกตเอาใช้ความสังเกตให้มากๆากนยะเวลาเราภาวนาแล้ว เ, เกิดสภาวะอะไรแปลกๆขึ้นมานะแล้วรู้สึกว่าดีจิตไปทรงอยู่ที่นั่นได้นานมีความสุขความสบายสว่างสงบอนะไรเนี้ยวิเศษวิโสมากไหมอย่าเพิ่งเชื่อใช้สังเกตเอาเวลาที่สังเกตดีที่สุดคือเวลาตื่นนอน พอเราตื่นปุ๊บแล้วเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นะจิตมันจะเข้าช่องเดิมทันทีเลยมันจะเห็นเลยไหลวืดออเข้าตรงนี้เองบางทีก็เอียงๆทางนี้หน่อยบางทีก็ไปทางนี้นะแต่และมุมไม่เหมือนกันนะเราเข้าไปแล้วอู้เป็นสบายอยู่ข้างในไอ้นี่มันพบพบหนึ่งจิตมันไปสร้างพบๆบหนึ่งอยู่เนี่ยเรานึกว่าตรงนี้ไม่ใช่พบแล้วพ้นจากทุกแล้วไม่ใช่หรอก เี่หลวงพ่ออาศัยสังเกตเอานะบคราวนะมีคราวหนึ่งนั่งภาวนาไปปีสองหะนั่งภาวนานะจิตมันแวกออกแวกออกนะสว่างโปรงขึ้นมาเบิกบานเหมือนพระาทิตย์ผุดขึ้นมาจากเมฆผุดขึ้นมาแว่าผุดออกมาไม่หมดเหลือหน่อยหนึ่ง ติดอยูนี้เดียติดขอบอยู่นิเดเนี่ยวไม่มันน่าจะหมดนะถ้าหลุดออกมาได้คงถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะไม่หมดแล้วตั้งแต่วันที่เห็นมันผุดขึ้นมานะจิตมันแบกออกหวางผุดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นนะกามราคานะนี่หายไปเลยโอ้ฉลอยจะได้อนาคาคิดอย่างนี้นะแต่ว่าจริงแล้วจะไปถามครูบาอาจารย์นะก็อยู่ไกลๆ ยังไม่ได้เวลาที่จะลาราชการไปหลพ่อทำราชการนะวันลาเนี่ยเก็บไม่หมดเลยเอาเวลาเวลามันมีวันหยุดราชการนะเราลาหัวลาท้ายอะไรนี้หน่อย ไ, ได้หลายวันไปหาครูบาอาจารย์นี่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปถามใช้สังเกตเอาสังเกตดูใจไม่มีราาักษะทำไมมันแปลกๆอย่างหนึ่งอาการของมันแปลกมันไม่เบิกบาน มันไม่จิตยิ้มมันรู้สึกงี้นะมันจิตมันไม่ยิ้มมันสว่างอย่างเดียวแต่ว่ากิเลสหายก็ยใช้วิธีทดสอบตัวเอยงยั่วกิเลสอันนี้พระห้ามทำนะพระทำแล้วนะพระตายขาที่เลยหลวงพ่อไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมามีเพื่อนคนหนึ่งเขาเรียกเจ้ากรมลามก <laughs> เป็นเจ้ากรมเลยมีหนังสือเป็นตู้ๆเก็บไว้เยอะเลยสะสมมานาน สมัยโน้นมันไม่มีวิดีโอซีดีอะไรไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีไปยืมมันมันดีใจมากเลยที่หลวงพ่อไปยืมนั้นบริการอย่างดีเลยอันเนี้ยสวยเลยตอนนั้น ด, ดีใจมากเลยได้พวกก็เห็นเราเข้าวัดตลอดเลยมันดูกันเราไม่เคยดูเลยแล้วคิดว่าเราเป็นเหมือนกับเขาละในที่สุดอธรรมก็ชนะธรรมะก็พ่ายแพ้นะ เอามาดูใจเฉยเลยสวยแค่ไหนตามองเห็นตาเห็นรูปเฉยๆดูแลเฉยเอาเล่มนี้ไปคืนขออีกเล่มหนึ่งน่ะก็ให้มาหลายเล่มมานั่งดูดูดูอยู่เจ็ดวันเจ็ดวันนะดูปุ๊บใ จ, ใจก็ไหวขึ้นมาใจกระเพื่อมกระเพื่อมขึ้นนโอ้เจอละเจอการมาราคะละ นี่อาศัยไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ถ้าไปน้อมใจเชื่อแล้วน้อมใจใจทรงอยู่กับสมาธิเวลาทรงอยู่งั้นทรงอยู่ได้นานนะเวลามันเสื่อมก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะเสียดายความเป็นพระหนักคาจนะาทรงอยู่งั้นนานหลวงพู่ดูลนยะ์เคยบอกเลยว่านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงระดับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มาถึงตรงนี้ ถึงพานอักานะไม่ไม่พ้นขั้นสุดท้ายส่วนใหญ่นี่พอเราเห็นแล้วเราไม่ใช่พานาักาอาศัยสังเกตเอาสังเกตเอาไปเจอหลวงพุทธเทศไปเล่าให้ท่านฟังนะท่านหัวร้ะพุทธเทศท่านหัวร้าน่ารักนะท่านจะปิดปากหัวร้อ <c oughs> น่ารัก <c oughs> เห็นแล้วน่ารักน่ารักพระอะไรไม่รู้งามไม่เคยเห็น ในโลกนี้นะไม่เคยเห็นใครงามเหมือนหลวงปู่เทศเลยกระทั่งอาพัสลานะยุคนนั้นสวยมากเห็น <G ül ets> แล้วยังไม่ดูดดื่มใจเหมือนหลวงปู่เทศเล <G ül ets> งามจริงๆเลยนะ <G ül ets> แก่ขนาดนั้นนะท่านยุ่งมากงดงามท่านก็บอกว่าก็ <G ül ets> ดีแล้วหล ะ, ละไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันให้ไปทํานอะีกนี่ได้เวลาไปหาหลวงพู่ดูลนะ้นไปบอกท่าน หลวงปู่ดูลก็บอกเออดีรู้จักเอาตัวรอดเพประเภทนั้นหลวงปูด่ดูลกับหลวงปู่เทศไม่เหมือนกันนะหลวงปู่เทศนางงามเรียบร้อยน่ารักหลวงปู่ดูลงเป็นธรรมชาติแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยไม่มีวางฟอร์มถ้าวางฟอร์มท่านก็วางได้สวยแต่ท่านไม่วางท่านบอกท่านทําไงให้สวยก็ได้นะเพราะก่อนบวชเนี่ยท่านเคยเป็นนางเอกละคร สมัยโวราณนนะละครผู้หญิงเนี่ยเล่นได้เฉพาะในวังนะถ้าคนข้างนอกวังเนี่ยเอาผู้ชายเล่นหมดเลยไม่มีผู้หญิงเล่นละครนี่อาศัยสังเกตเอานะเพราะฉะนพวกเราอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆ่ายดนี่มีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งท่านก็บอกหลวงพ่อไว้องนี้ท่านมีฤทธิ์มากชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเนี่ย ไม่ใช่ภาษาจีนนะไม่ใช่กิมที่แปลว่าทองท่านคนขมนิ้นคนสุรินท่านบอกว่าถ้าใครเขาว่าเขาได้มรรคผลอะไรนะบอกเขาให้เขาดูสักสามเดือนอย่างเงี้ยให้เขาดูสักสามเดือนถ้าสามเดือนจิตมันไม่ไปติดอะไรอยู่นะมันจะต้องแสดงของจริงให้ดูในหลวงพ่อก็ใช้พิธีนี้เหมือนกันบางที คนมาบอกว่าพอนาแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะถ้าเราบอกว่าใช่ไม่ใช่มันน่าเกลียดเดี๋ยวมันจะหาเรื่องเราทีหลังเขาบอกลองไปดูสักสามเดือนแต่ระหว่างที่ดูเนี่ยใจต้องเป็นธรรมดานะใจต้องเหมือนคนปกติอย่างเนี้ยถ้าใจไปทรงสมาธิอยู่ตลอดใจทรงอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสพูดไม่ได้เพาะกิเลสมันไม่โปล่ เวลาจิตมันเข้าสมาธินะจิตมันอยู่ในภูมิที่เปลี่ยนไปภูมิที่พวกเราอยู่ปกตินี่เรียกว่ากามาวจรภูมิกามาวจรนะกามาวจรภูมิภูมินี้จิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาวิ่งพล่านไปทางกลามวิ่งไปหากามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสพุธภพมิทั้งหลายจิตพวกเราวิ่งออกตลอดรู้สึกไห วิ่งไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือทางใจก็จะไปคิดถึงอะไรคิดถึงรูปเสียงกลิน่นรสโผฏภพาอีกแหละเวลาคิดนะคิดถึงคนนี้สวยคิดถึงคนนี้ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็จิตไปในกามเรียกกรรมมาทำจิตที่อยู่ในกรมวัชรภูมินะีจะวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาไม่ทรงอยู่กับที่พอไปกระทบอารมณ์นี้ก็เกิดโทสะกระทบอันนี้กเกิดราคานะเนีเกิดกิเลสขึ้น นี้เวลาเราเข้าสมาธิน <ult> no ีจิตมันจะเปลี่ยนจากการมวจิรภูมินะเป็นรูปาวจรภูมิอยู่ในรูปภูมิหรืออรูปาวจรอรูปาวจรภูมิอรูปภูมิไม่มีกายเวลาจิตเข้าทรงสมาธิอยู่ในรูปภูมิมารูปภูมิเนี่ยจิตให้มีการมรักะจิตไม่มีโทสะเพระฉะนั้นจิตพลมแต่จะไม่มีราคาะละเอียด มีรูปปราคะพอใจในความสงบจากการเพ่งรูปอรูปปราคะพอใจในความสงบจากการเพ่งอรูปนะไม่มีการมราคะคือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกิริลดุลธภะทั้งหลายเหมือนที่พวกเรามีนี้บางทีเวลาภาวนานะจิตรวมปึ๊บเข้าไปเข้าไปในรูปประภูมิรูปประภูมิเนี่ยพูดเราเสียงง่ายๆนะรูปประภูมิรูปประภูมิเรียกเต็มยศต้องรูปปาวัจรับภูมิชื่อยาว เวลาจิตหลบเข้าไปอยู่ในรูปประภูมิรูปประภูมิไม่มีราคะไม่มีโทสะนี่เวลาออกมาจากสมาธิเนี่ยไม่ชํานาญในการออกเข้าไปได้นะแต่ตอนออกเนี่ยค้างอารมณ์ของสมาธิออกมาเคยเป็นไหมนั่งสมาธิแต่พวกเราส่วนใหญ่จะไม่ค้างอารมณ์ของรูปรูปออกมาจะค้างโมหะออกมาตอนเริ่มนั่งสมาธิเราน้อมใจให้ซึม น้าออมเป็นเงี้ยตอนออกมาแล้วก็จะเป็นเงี้ย <laughs> นี่พอจิตมันติดอยู่พอออกมาข้างนอกเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ในกาม อ, อวชจจะระพุมนะแต่ถ้าติดโมหะออกมานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่รูปประภูมิรูปประภูมิจิตที่เข้ารูปประภูมิรูปประภูมิมันจะสดใสออกมาออสดใสสว่างแต่ขนาดเนี้ยตามองเห็นไม่สนใจ หูได้ยินเสียงไม่สนใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รอดกายสัมผัสไม่สนใจไม่สบายมือก็รู้ตัวอยู่แต่จิตเนี่ยไม่ไม่สั้นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทรงอยู่กับใจเฉยจิตตรงนี้ไม่มีราคาไม่มีโทษะเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งดูจิตเราไปล็อกอยู่ในภูมิของรูปของอรูปภพภูมินี เรามานั่งดู เ, เราจะพบว่าไม่มีราคาไม่มีโทสะเฉลี่ยจะได้อนาคาแล้วอาณาคาเนี่ยจิตเป็นผมนะก็จิตจะทรงอยู่ในรูปในรูปได้แต่เวลาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยจิตอยู่ในกรรมมามอมวัจรภูมิแต่จิตไม่คล้องในกามอาศัยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบไปนะแต่จิตมันทรงสมาธิอยู่จิตนะัมันทรงอยู่ในรูปในรูปนี่ไม่คล้องกับโลก นี้พจิตมันไปค้างอยู่ในสมาธิแล้วออกมาเนี่ยไม่มีราคาโทสะเลยคิดว่าได้แล้วนะต้องใช้วิธีทดสอบนะสังเกตตัวเองจิตไปค้างอยู่หรือเปล่าถ้าจิตไปค้างอยู่ออกมาจากจุดที่ติดค้งจะดูยังไงว่าค้างค้างจนชินดูไม่ออกว่าค้างนะเหมือนเราเนี่ยอยู่ในอากาศอากาศทับเราอยู่นะน้ําหนักอากาศที่ทับเราต้องเยอะแยะนะี แต่เราไม่รู้สึกว่ามันทับเย็นชินนะให้สังเกตเรตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนเนี่ยจิตมันขึ้นจากรวังมามัยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในรูปประภูมิรูปประภูมิที่เคยชินจิตมันขึ้นจากรวังไหมถ้ามันขึ้นจากรวังนะพอเราคิดถึงปฏิบัติปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปสู่ภูมิที่มันเคยชินเลยเราจะเห็นเลอ๋อเข้าตรงนี้เองไหลเข้าไปตรงนี้เองเข้าไปจับว่างๆอยู่ตรงนี้เอง พอรู้ตรงที่มันเข้านะต่อไปไม่เข้าล้วก็จะโพ้นออกมาพ้นออกมาปุ๊บขาวนี้ตัวจริงจะโผล่แล้วมีราคาราคาก็าขึ้นมีโทสะโทสะก็ขึ้นนะงั้นเราใหญ่ไปเชื่อง่ายใช้วิธีค่อยๆสังเกตเอาว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละนะสังเกตเกติเลสเอาเวลาคิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลหรือใครก็บอกเขาบรรลุมรรคผลอย่าเชื่ออย่าปฏิเสธ ไม่เชื่อนะไม่ใช่เชื่อตามๆกันยุคนี้เชื่อง่ายไม่เพียงแต่เชื่อนะยังชอบตั้งให้คนอื่นเป็นพระอริยะด้วยอุ้ยขุนนี้แหละพระชั้นนี้นี่อาจารย์นี้ชั้นนี้อาจารย์นี้ชั้นนี้ไอ้คนตั้งมันใครไม่ดูตัวเองเลยไม่เจียมตัวเลยจะตั้งพระอริยะเอากิเลสตัวเองไปคิดเอาเองงั้นเวลาใครเขาบอกก็ได้อะไรเลยเฉยๆไหมค่อยๆสังเกตไป สังเกตดูว่าสิ่งที่เขาทำนั้นนะมันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่หรือสิ่งที่เขาสอนนะ่ะเป็นไปเพื่อวความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือไม่ใช่ถ้าเขาสอนบอกรู้ตัวเฉยเฉยรู้อย่างเดียวรู้สบายสบายไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราคิดว่านี้แหละรู้อย่างเดียวนี่แหละใชนะ่รู้อย่างเดียวไม่ใช่นะคําสอนของพระ เ, เจ้าไม่ได้ตื้นอย่างนั้นท่านให้เราทําตั้งหลายอย่าง สิ่งที่เป็นกองทุกขคือขันให้รู้สมุทยัยนะกองกิเลสทั้งหลายนีให้ละนะสมุทยัยโดยเฉพาะตัวตัณหานะต้องละนิโรธเนะี่ยไม่ใช่ให้รู้ลูกเดียวนิโรธต้องทำให้แจ้งนะเข้าไปสัมผัสให้ได้มาร์กทำให้เจริญไม่ใช่รู้ลูกเดียวมีสีนี่รู้ลูกเดียวมีสมาธิรู้อยู่เฉยเฉยอะไรยงี้ไม่ใช่นะ มักทำให้เจริญคือเจริญอะไรเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขามีสิ่งที่ต้องทำตั้งเยอะบางอย่างต้องละบางอย่างต้องเจริญบางอย่างต้องทำให้แจ้งนะบางอย่างก็รู้เอาตามที่มันเป็นยั้นจะมาบอกรู้ลูกเดียวรู้รู้หลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ลูกเดียวผู้เราเองนะคำว่ารู้ซื่อๆรู้ลูกเดียวนั้นในขั้นวิปัสสนา เวลาทาวิปัสสนาเนี่ยนะจิตตั้งมั่นมีสมาธิเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รู้ลูกเดียวแล้วมีสมาธิขึ้นมาเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นศีลต้องมีแล้วก็เห็นรูปนามทางานไปอย่างที่รูปนามเป็นที่ว่ารู้ลูกเดียวรู้ไปซื่อๆคือเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นเห็นนามอย่างที่นามเป็นเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ถ้ารู้รู้ลูกเดียวรู้เฉยๆอยู่ไม่เห็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนา รู้ตัวเป็นไหมรู้ตัวรู้ตัวอย่างนียเนี่ยรู้ตลอดเลยแต่ไม่เห็นใยรักใจอย่าแข็งแข็งนิดนึงนะลองบิ้วตัวเองให้รู้สึกตัวแรงแรงนิดนึงเนี่ยแล้วลองหันไปหันมานะด้วยใจที่ชื่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยรู้นะทำไมจะไม่รู้แต่ไม่เห็นใยรักอย่าทำนะออกมาได้ <laughs> ให้ลองดูเท่านั้นนะใจมันผิด มันไม่มีสมาธิที่ถูกนะต้องสร้างสมาธิให้ถูกก่อนแล้วถึงจะไปรู้รูปนามตามความเป็นจริงนั้นถ้าจะใช้คําให้ถูกนั้นก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแค่คำว่าเห็นถึงจะถูกรู้อย่างไม่ถูกทีเดียวนะคําว่าเห็นเนี่ยถึงจะถูกคําว่าเห็นคือคําว่าปัจสนะมีปัจสนะคือเห็นถูกนะ เห็นถูกก็เห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เพราะฉั้นจะไปรู้ตัวอยู่เฉยๆต้องเห็นรูปนามทำงานเห็นความจริงของรูปนามเะั้นเราพอวนานะค่อยๆฝึกของเราไปหลวงพ่อสอนเอาไว้เยอะแล้วละไปฟังเอาเชิญไปกินข้าว